พระธรรมเทศนาแผ่นที่หนึ่งาลำดับที่15โดยหลวงพ่ออินถวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมในวันที่15หกุมภาพันธ์2560มีชื่อเรื่องว่าเรียนปฏิปทาที่เดียวกันเพื่อรักษาคนละที่เมื่อวานหลวงพ่อทราบมาว่า ปัจจัยหรือว่าเงินบัญชีเสาเข็มของเราเนี่ยได้ถึงสาสิบ็ดล้านแล้วนะลูกหลานนะเกินเป้าเ อ, อทีแรกเราต้องการสามสิบสามสามสิบสองล้านกว่าแต่เมื่อวานเขาเปิดตู้ทางบ้านตาได้สามล้านกว่าหรืออะไรที่นั่นมันก็เลยขย่บขึ้นอย่างแรงเลยเดี๋ยวนี้เปลว่าปัจจัยเรื่องเงินเสาเข็มเนี่ยพอแล้วนะ ที่เราต้องการ32ล้านแต่คณะตัดทายาตโยมผู้ใดจะโอนเข้าไปก็บัญชีก็คงยังไม่ปิดแต่จะปิดหรือไม่ปิดกระสุดแท้แต่หลวงพ่อสุดใจกับคณะกรรมการแต่หลวงพ่อก็มีแต่ว่าแจ้งข่าวว่าที่หลวงพ่อบอกประกาศว่าต้องการเงิน32ล้านเมื่อมันเต็มแล้วหลวงพ่อก็ต้องบอกบอกว่ามันปัจจัยเต็มแล้ว ในสามบสองล้านแต่ว่าเพียงพอไหมอันนั้นพวกเราก็เคยทําการทํางานมามากตมากมันบานปลายอยก็คงจะมีอยู่อันนี้เราจะเพียงแต่ว่ามันพอเกินไปหน่อยหนึ่งเราจะว่าพอทีเดียวก็บางทีมันมีปัญหาต่อไปภายภาคหน้ามันบานปลายขึ้นมาเราก็มองจะมองไม่เห็น แต่คณะจัตวายาติโยมลูกหลานจะเพิ่มเติมเข้ามาในเมื่อมันเหลือทําไงเหลือก็ต้องผักเข้าบัญชีใหญ่คือสร้างพระเจดีย์พิพิธภัณฑ์ศาลาลายสามอาคารนะั่นต่อไปมันก็ไม่เข้าบัญชีใครหรอกมันก็เข้าบัญชีของเจดีย์หลวงตาอย่างเก่านั่นแหละแต่ว่าบัญชีเสาเข็มเนี่ยน่ะเต็มแล้วจะว่ามันเต็มทีเดียว พูดอย่างนั้นทีเดียวก็ไม่ก็ไม่เต็มปากเต็มคำเพราะเหตุใดเพราะว่าบางทีอาจจะมีบานปลายเอเมื่อเสาเข็มตัวนี้ตอกลงไปแล้วเนี่ยในจุดนี้เราจะเพิ่มเพ้่อีกซ้อนสองใดไหมเนี่ยเพื่อความมั่นคงของพระเจดีย์หรือว่ามันพอแล้วตามวิศวสถานิอันาคสุทธเแต่นะอันนี้หลวงพ่อในความเห็นของหลวงพ่อท่านเองนะ นี่แะอันนี้ก็คือเจอดีเป็นพิพิธภัณฑ์เสาเข็มเต็มเมื่อวานก็บอกเขามาบอกให้หลวงพ่อทราบ่เจวเสาเข็ม37ล้านกว่าแล้วนะหลวงพ่อเออดีหลวงพ่อเองก็ในนามที่ผเปิดบัญชีช่วยช่วยเปิดบัญชีกับหลวงพ่อจุใจขอขอบอกขอบใจพี่น้องประชาชนทุกหมู่ทุกเหล่าอย่างให้ความเคารพรัก ในองค์หลวงตาของเราอย่างสม่ำเสมอในจิตใจของพี่น้องประชาชนหลวงพ่อในฐานะพระ ส, สงฆ์พอได้ยินแล้วก็ปลื้มใจอีกเหมือนกันนะขอให้พี่น้องประชาชนทุกหมู่เหล่าจงเจริญด้วยลาบยศสนเสริญสุขปรารถนาสิ่งใดก็สมความมุ่งมา่นปรารถนาอย่างที่ลูกหลานได้ตั้งใจเอาไว้นะแล้วก็พร้อมกันเมื่อวานนพวกเราเห็นไหมหลวงพ่อเด็ก ท่านมาจากอเมริกาหลายวันแล้วฟังๆดูระถังบ้านบ้านเมืองของท่านโอนหนาวมากในะช่วงนี้นะท่านก็มาแวะเยี่ยมเมืองไทยแล้วก็ท่านเคยมาจพรรษาที่นี่ตอนที่หลวงตาจุตินิลผ่านปี54แต่หลพอก็จไม่ได้ท่านมาปีไหนปี55หรือปี56มาจพรรษาที่นี่จากนั้นท่านก็ไปอยู่ที่เมืองของท่านอเมริกา หลวงพ่อวั ด, ดีเพราะว่าไทยพระไทยแล้วคนไทยไปประกาศภาษาศาสนาหรือว่าไปแนะนำสั่งสอนพี่น้องชาวฝรั่งก็คนไทยพูดภาษาฝรั่งก็ไม่ชัดจะไปประกาศเผยแผ่ให้กับพี่น้องประชาชนชาวอเมริกาเนี่ยเขาคงจะไม่ซึง้งอย่างสายหลวงปู่ชาเนี่ยมีพระฝรั่งเยอะท่านก็ไป ประกาศศาสนาในยุโรปก็กว้างขวาง น, ะนี่แหละอันนี้กือสายหลงตามหาบัวหลวงพอดิกท่านไปอยู่อเมริกาหลวงพ่ออื้อดีเพื่อจะได้แนะนำพี่น้องชาวฝรั่งให้ได้เข้าใจธรรมะถ้าว่าได้เข้าใจธรรมะแล้วก็จะได้เผยแผ่ขยายกว้างขวางออกไป นี่แหลวงพ่อที่ไปอยู่ต่างวัดเป็นทาวรขึ้นมาแล้วฟังั ง, งโดยระวัดของท่านกว้างนะมีลูกศิษย์ลูกหาชาวฝรั่งเข้ามามากพอสมควรกำลังเข้ามาเข้ามาศึกษาเรื่อยๆแต่หลวงพ่อได้พบกับหลวงพ่อเด็กเมื่อวานหลวงพ่ อ, อ, อพอดีพอดีพอดีทีเดียวเลยวะพอหลวงพ่อคิดในใจอยู่ว่าเอ๊ พิพิธภัณฑ์ของหลวงตาเนี่ยที่เราจะประวัติของหลวงตาหลวงตาเกิดที่ไหนหลวงตาปฏิบัติไปบวช ท, ที่ไหนหลวงตาไปศึกษาที่ไหนหลวงตาไปอยู่กับหลวงปู่มั่นอย่างไรคือประวัติน ะ, เ, ะเราก็อยากจะได้เป็นภาษาไทยด้วยภาษาอังกฤษด้วยภาษาจีนด้วยแล้วก็มองหาเออหลวงเราก็เห็นเนี่ย หลวงหลว ง, หลวงพ่อปัญญาของเราเนะี่ยหลวงพ่อปัญญากับหลวงพ่อเด็กนี่เนะ่เป็นผู้แปลประวัติหลวงปู่มั่นปฏิปทาพระตรงกรรมฐานสายหลวงปู่มั่นแล้วก็ประวัติของขุนแม่ชีแก้วหลายๆเล่มที่หลวงพ่อเด็กแปลก็เป็นที่ยอมรับกว้างขวางเพราะท่านใช้ปฏิบัติธรรมด้วยแล้วก็ความรู้ทางโลกของท่านก็แน่นหนาเตีองภาษานะ แล้วก็ธรรมะในใจของท่านที่ท่านได้ศึกษาอยู่องค์หลวงตาเป็นสามสิกว่าปีเนะี่ยท่านบวชเข้ามา30กว่าปีนะหลวงพ่อเด็กนี่นะนี่แหละหนักแน่นมั่นใครเข้าว่าตีความหมายในธรรมคำสอนของครูบาอาจารย์สายพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของเราเนี่ยหลวงพ่อว่าดีแต่หลวงพ่อก็ตามว่าหลวงพ่อเด็ก พอที่จะช่วยได้ไหมถ้าหากว่าพวกคณะนะกรรมการจะให้หลวงพ่อเด็กเนี่ยแปลเป็นภาษาอังกฤษในธรรมเทศนาของหลวงตาหลวงพ่อที่หลับเลยทนานหวนได้นะโอ้หลวงพ่อก็โล่งใจดีใจเพราะว่าท่านชำนิชำนาญในภาษามาแล้วก็ภาษาเมื่อทำลงไปแล้วเนี่ยมันจะขึ้นเป็นป้าย ปลายหินแกลนิดเลยนะจะอยู่เป็นอนันตการพร้อมกับพระเจดีย์เลย น, นี่แหละสรุปแล้วก็คือหลวงพ่อที่จะจะต้องฝากความคิดฝาก ฝ, ากฝีไม้ไลายมือฝากภาษาไว้ในพระธรรมคำเป็นธรรมคำสสั่งสอนขององค์หลวงตาอยู่ในแผ่นหินแกลนิตนานเท่านานที่เดียวเนี่ยหลวงพ่อถึงจะยังไม่ถึงวันนั้นนะหลวงพ่อก็ยังนึกในใจอนุโมทนาใน ที่จะเป็นพระธรรมคำสอนขององค์หลวงตาประกาศเผยแผ่ให้ลูกให้หลานเป็นภาษาอังกฤษนะเนี่ยแต่ว่าการส่งไปก็คงจะไม่ยากหลวงพ่อว่านะทุกวันีนสื่อต่างๆมันง่ายถ้าว่าได้ข้อความตรงไหนไม่จำเป็นจะต้องมาเมืองไทยไลายไปก็ไดนะ้ถึงอเมริกาเลยจากนั้นก็ส่งมาเลยตอบทำคำถามคำตอบกันได้ง่ายทุกวัน เน่หลวงพ่อหลวงพ่อเมื่อวานหลวงพ่อก็ดีใจลึกๆเหมือนกันนะพอได้เจอหลวงพ่อนิกแล้วก็ท่านก็รับคำรับว่าจะจะช่วยในเรื่องภาษาขัดเกลาภาษาธรรมเทศนาขององค์หลวงตาจะแปลแปลเป็นแปลภาษาของหลวงตาให้เป็นภาษาอังกฤษเราจะขึ้นป้ายนะนะเมื่อเสร็จแล้วในพิพิธภัณฑ์ตั้งแปดห้องห้องที่นึง หลวงตาเกิดที่ไหนประวัติของหลวงตามีภาษาไทยด้วยภาษาอังกฤษด้วยภาษาจีนด้วยเพราะว่าพิพิธภัณฑ์ของหลวงตานิสากล น, นะและวหลวงตาไปบวชก่อนที่จะบวชทำยังไงหลวงตาไปยยกหลงปู่มั่นปฏิบัติธรรมศึกษากับหลวงปู่มั่นเราก็มีภาษาไทยภาษาอังกฤษภาษาจีนจากนั้นก็หลวงตาสอนธรรมะ จากนั้นหลงตาศึกษากับหลวงปู่มั่นหลวงปู่มั่นสอนยังไงภาษาไทยภาษาอังกฤษภาษาจีนนี่แหละอันนี้คือภาษาอังกฤษนี่แหละพราะเราก็ไม่ใช่เราก็เป็นไม่ไม่ชำนาญใช่ไหมละ่ะอันนี้หลวงพอ่อเด็กนี่ท่านว่าท่านเคยแปลมาแล้วเห็นฝีมือแล้วองนั้นในการแปลภาษาธรรมะนะเป็นที่ยอมรับของ คนทั่วไปทีเดียวเพราะนั้นหลวงพ่อเออดีใจที่ได้พบได้เจอน่นนะใจดีของหลงตาก็เดี๋ยวนี้ฟังๆดูแล้วก็ตอกเสาเข็มก็ลงไปเกือบร้อยกว่าต้นอะนะแต่ไม่รู้เท่าไหร่เมืนนะ่อวานหลวงพ่อก็ลืมถามเขาจะเอาปั้นจันเข้ามาสองตัวล่ะตอกเข้าไปก็คงจะไม่นานนะกะไว้ก่อนนะ่ะสามเดือนครึ่งแปลว่า เขาว่าไปตามเป้าไม่น่าจะผิดพลาดพันส้เต้นเสาเข็ม 1,251 ต้นใช้เวลาทำงานตอกเสาเข็มสมเดือนครึ่งเป็นเงิน32ล้านกว่าแต่ในเงิน32ล้านกว่าเดี๋ยวในป่าเข้าไปถึง37ล้านแล้วพอ แต่ว่าพอในแะับพอที่เราตั้งไว้แต่มันจะบาดปลายยังไงอันนั้นเราอย่างไม่ทราบนะเพราะอนาคตแต่พี่น้องประชาชนจะโอนเข้ามาก็รับเนี่มันเหลือทำอยังไงเหลือก็เข้าสร้างพระเจดีศาราลายพิพิธภัณฑ์ต่อไปเพราะท่านตนั้นยังไม่ได้เซ็นสัญญานะยังไม่ได้เซ็นสัญญาในการก่อสร้างแต่ บริษัทขอนแซวหลงแซวเนี่ยหลวงพ่ อ, อย่างปรึกษากับคณะกรรมการภายในวัดของหลวงพ่ออยู่ว่าเราอาจจะรับดีไหมได้ไหมจะหนักเกินไปไหมจะทันไหมหลวงพ่อกําลังปรึกษาพระในวัดของหลวงพ่อคณะกรรมการศรัทธาญาติโยมของหลวงพ่ออยู่ถ้าวัดรับไหวหลวงพ่อจอเอารับเป็นนั้นว่า บริษัทคอนเซิลหรือบริษัทดูแลในการก่อสร้างเนี่ยหลวงพ่อจุดใจเป็นประธานเป็นผู้เซ็นสัญญากับคณะกรรมการเป็นคู่สัญญาแต่เราเนี่ยเป็นคนจ่ายเงินก็เหมือนกับหลวงพ่อจุดใจกับคณะเนี่ยเป็นคนสั่งก๋วยเตี๋ยวแต่วัดนาคำน้อยของเราเนี่ยเป็นคนจ่ายเงินให้ลักษณะอย่างนั้นะแต่ละเดือนละเดือนละเดือนถึงสามสเดือนนะ เพราะว่า 12, บสองสามสามสบหเขาว่าเจดีของโลงตาเนี่ยใช้เวลาสามปี36เดือนหลวงพอ่อพูพวกเราน่าจะรับเป็นสัดส่วนไปเพราะว่าเจดีของโลงตาเนี่ยทุกส่วนจะเป็นไปด้วยความเรียบร้อยราบรื่นได้มันก็ต้องอาศัยคนคุมคนคุมงานดูแลงานให้มันไปตามกฎตามเกณฑ์ตามเป้าหมาย บริษัทจะตนเฮต์เนี่ยก็เป็นที่ยอมรับของคนที่อยู่ในวงการควบคุมงานก็ออกมาช่วยดูแลองค์หลวงเจดีของหลวงตาเนี่ย น, ะนี่แหละอันนี้ก็คือบอกกล่าวแจ้งข่าวให้คณะทธาญาติโยมทั้งหลายเป็นเป็นการบ้านแล้วเป็นแนวความคิดสำหรับกลุ่มของเราเหมือนกันนะแต่หลวงพ่อเนี่ยพยายามจะทำยังไง ให้เจดียลงตาเนี่ยสำเร็จลุล่วงไปโดยโดยดีเมื่อสร้างขึ้นมาเสร็จแล้วกว็ไม่เป็นสมบัติของใครเป็นสมบัติของแผ่นดินแล้วก็เป็นที่เชิดชูบูชาเทิดทูนบูองค์หลวงตาของเราเ อ, องคหลวงตานี่จัดเข้าถูประหาบุคคลสี่จำพวกคือพระหันตสาวกในสี่ข้อนั่นน่ะเนี่ยหลวงตาท่านประกาศของท่านเองเอพราะนั้นเราเป็นในฐานะสิทธิอนุสิทธิทั้งหลาย เมื่อหลวงตาจุตินิพพานไปแล้วนะพวกเราคนนี่นะไม่มีอะไรที่จะตอบบุญแทนคุณองค์ขององค์ท่านได้นี่แหละเราก็ทําอามิตชบูชาบ้างนะอย่างหลวงพ่อนะทิศเนี่ยท่านก็จะแปลเป็นภาษาให้เนะี่ยเป็นอามิตชบูชาในพระคุณของหลวงตาหลวงพ่อในกรณีจะตกปัจจัยที่ใดมาอย่างไงเออจะพยายามรวบรวมเพื่อจะเป็นการก่อสร้างเป็นอมิตชบูชาในองค์หลวงตานะ่ย แต่ปฏิบัติบูบชานั้นเราทําอยู่แล้วนะเมื่อหลวงพอดิกได้รับธรรมคาสอนของหลวงตาสังสอนหลวงตาสั่งสอนอย่างไรหลวงพ่อดิกก็เต็มใจของหลวงพอดิศนะท่านก็ไปนู่นเอาไปปฏิบัติอยู่อเมริกานะรักษาปฏิบัติตาของหลวงตาอยู่อเมริกานะแต่หลวงพอ่อกคนนะั้นเมื่อได้รับธรรมคาสอนของหลวงตาเสร็จแล้วนะหลวงพ่อก็เอามาปฏิพื่อปฏิบัติ ตามทาคําสอนปฏิปทาของหลวงตาเอามาัดมาที่นาคําน้อยอีกเหมือนกันต่างคนต่างได้ต่างคนก็ต่างแยกย้ายกันเหมือนกับลูกศิษย์ของหลวงปู่มั่นไม่ใช่อยู่จุดเดียวกันนะพอได้ศึกษากับหลวงปู่มั่นเสร็จแล้วก็ต่างคนต่างไ ป, ปรักษาปฏิปทาหลวงปู่มั่นพอพูดขึ้นมากันนี่นะหลวงปู่มั่นสอนอย่างไรหลวงปู่เทศก็อยหหินหมักแป้งหลวงปู่เขาก็โยธาหั่กองเพลน หลวงตามหาบวก็อยู่บ้านตาดหลวงปูล่ลาก็อยู่ปู่เจากกอเนี่ยหลวงปู่ฟันก็อยู่รมสมพรหลวงปู่แหนก็อยู่จังหวัดเชียงใหม่นี่แหละต่างคนอย่างต่างรักษาปฏิปทาขององค์หลวงหลวงปู่มั่นทั้งนั้นแล้วก็หลวงพระพุทธเจ้าก็อยู่ประเทศอินเดียต่างคนก็ต่างรักษาปฏิปทาของพุทธะคนละแห่งละหนกัน ไม่จำเป็นต้องกระจกอยู่ได้ที่ใดที่หนึงอกเรื่องรักษาปฏิปทานะมันอยู่ที่รักษาที่ตัวของเรานะั่นละหลวงตาพาดำเนินอย่างไรท่านฉันยังไงท่านผิน้าบาอยังไงท่านมักน้อยสันโดษยังไงท่านเสียสระยังไงท่านให้ธรรมะทำคำสอนอย่างไรล้วนแล้วแต่เป็นปฏิปทาของหลวงตาเราได้เห็นได้ยินได้ฟังจากองค์ท่านมาแล้วนะเราก็นามาประพฤติปฏิบัต แนะนำสั่งสอนบอกกล่าวให้กับจิตญาณุสิทธิท์อย่างหลวงพ่อฤทธิยนะท่านไปอยู่อเมริกากเอานะ่ะนำแนวปฏิปทาขาององค์หลวงตานะไปสอนลูกศิษย์ทางนนนะ้นอีกพอลูกศิษย์ทางนน้นได้รับำคําสอนจากหลวงพ่อฤทธิ์แล้วนะเขาก็นําไปปฏิบัติอกีกสอนต่อกันไปอกนะีกนี่แหละสรุปแล้วก็คือเราได้ยินได้ฟังได้ศึกษาจาก พ่อแม่ครูบาอาจารย์จากองค์หลวงตาแล้วนะั้นนำมาประพฤติปฏิบัติผลสุผลทั้งส่วก็เป็นสมบัติของเราท่านมีจะสอนให้ท่านเอง เ, อเป็นสมบัติของเรานะถ้าเราภาวนาจิตใจสงบก็เป็น เ, เป็นหน้าที่ของเราถ้าเราชําระใจเป็นพระโสดาพระสกทาพระอนาคาคาระหันก็เป็นสมบัติของเราเองเอหลวงตามีแต่บอกกล่าวแนะนําสั่งสอนท่านั้นเอง แต่พูดที่ได้ก็คือแต่และท่านแต่และคนอพระนครอให้พวกเราทุกๆคนนะการทำจึงไหนกรรมคือการกระทาทําดีแล้วจะไปชั่วได้ยังไงทําชั่วแล้วจะไปดีได้ยังไงนี่เมื่อตัวเองทำํำปฏิบัติตามศีลตามธรรมตามหลักเหตุผลแล้วนะมรรคผลนิพพานของมันก็อยู่ในใจของเราไม่ใช่ใจของคนอื่นนะถ้าเราทําบาปล่ะมันก็ตรงกันข้ามเหมือนกันนะ ใครจ ะ, จะโยนบาปไปให้ใครล่ะก็ตอ้องเองตัวเองต้องรับบาปเต็มที่เหมือนกันนะ่ะเพราะอะไรเพราะตัวเองทําบาปน ะ, ปะนนเพราะนั้นพวกเราจะไปทําเธอบาปนะทำบุญสร้างบุญสร้างกุศลสร้างคุณงามความดีสร้างหลักเหตุผลเข้ามาสู่จิตสู่ใจน่นะเลิ่ประเสริฐที่สุดนะตอนนี้ไปรับพรนะทีนะพระสงฆ์อนุโมทนาให้พร